พุทธคืออะไรพุทธผู้รู้คือผู้ไม่ดือ้อไม่ใช่ว่าผู้มีความรู้พิสดารกว้างขวางอย่าไปเข้าใจผิดผู้รู้นี่คือผู้ไม่ดือ้อไม่กล้าทําบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งเรียกว่าผู้รู้กิริยาของการมีพุทธในจิตในใจคือเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราตลอดเวลา ก็เป็นพุทธะผู้รู้เมื่อจิตมีสติกากับตลอดเวลาก็เป็นพุทธะผู้ตื่นคือเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตแช่มชื่นเบิกบานก็เป็นพุทธะผู้เบิกบานชาวพุทธ ต้องเข้าใจเรื่องสมาธิให้ถูกด้วยปกติคนเราทุกคนมีสมาธิประจำตัวอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเรามีสมาธิเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าสมาธิต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวคนที่ทำอะไรด้วยความมีสติรอบครอบคนนั้นคือคนมีสมาธิและก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลานักเรียนนักศึกษาที่เขาเรียนหนังสือ ถ้าเขามีสติคอยกำหนดจดจ้องอยู่เขาก็เรียนหนังสือด้วยความมีสมาธิสมาธิแบบนักเรียนที่เขาปฏิบัติเนี่ยบางคนสามารถรู้ข้อสอบล่วงหน้าบางคนพออ่านคำถามจบจิตมันว่างลงคำตอบมันผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดหลวงพ่อจึงว่าถ้าหากชาวพุทธในเมืองไทยเราเนี่ยรู้เคล็ดลับของการปฏิบัติสมาธิเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจาวัน สอนเด็กเล็กของเราให้มันฝึกสติตั้งแต่มันเกิดมาจนกระทั่งมันโตคนไทยที่เป็นชาวพุทธเขาจะได้สมาธิได้สติปัญญาสนับสนุนกิจการที่เขาทำเป็นเรื่องชีวิตประจำวันทีนี้ถ้าเราจะเอาดีกับสมาธิจริงๆนะ่ะศีลห้าข้อปักหลักลงไปให้มันมั่นคงมันมีอยู่แค่นั้นหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายท่านว่าท่านว่าท่านมีศีลมากๆ ถ้าท่านมองข้ามศีลห้าข้อท่านก็ไม่มีทางสำเร็จพระนิพพานเพราะศีลห้าข้อเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบจะปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆที่สูงไปกว่านี้ลงไปมันก็มั่นคงแน่นหนาะ